ธาตุคือลิ้นธาตุคือรสธาตุคือตัวจิตที่รู้รสธาตุคือกายธาตุคือโพธาภะธาตุคือกายวิญญาณที่รู้โพธาภะธาตุรู้ทางปัญจทวารและธรรมรมทั้งหลายเรียกว่าธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุคือความคิดเอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาตุสิปจากครูธาตุมีกี่รูปรูปธาตุมีกี่รูปก็วิจัยไป อย่างละเอียดบอกบางท่านก็บอกาโอ้ยังมากไปขอย่อๆเพิ่มวันนี้ได้ไหมบอกได้นะคแยกทีละวาวรนะตากับสีหูกับเสียงจมูกกับเปลนลิ้นกับรสกายกับโพธาภาใจกับธรรมรมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็แบ่งเป็นหกคู่นะเป็นภายในกับภายนอกอนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ภายนอกคือรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธิภาพและธรรมรมณ์จับคู่กันภายในและภายนอกเนี่ยนะเพราะจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ายอ่อลงมาอีกบอกว่าอายตนะก็ยังเยอะไปบอกว่าก็เอาเป็นทวารหกกันแล้วกันนะนะทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจบางคนก็บอกเอานี้แล้วกันขอขันห้า น, นะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณศักพ์สิ่งมวลสารในโลกนี้คือ รูปรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมและเป็นที่ตั้งแห่งการรับรู้นั่นนะก็ก็คือขันห้าในทั้งมวล น, นี้ก็คือขันห้าทีนี้ถ้ายอ่อลงมาอีกก็เหลือแต่รูปกับนามรูปกับนามคำพีเนี่ยเป็นท่านจะแสดงโดยพิสดารก่อนแล้วท่านค่อยมาย่อให้เราในทีหลังเพราะ ว, วิธีคิดอะไรต้องคิดให้กว้างก่อนให้ใหญ่ก่อนเคิดได้กว่าอะไรนะ เปิดโลกแห่งความคิดให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้อย่าไปคิดอะไรให้มันแคบแคบนะเนีขาเรียกว่าคนอะไรคิดอะไรแคบแคบคนใจคับแคบคนมีจิตคับแคบถ้าปัญญาแคบด้วยก็เรียกอะไรเสียหายมากเลยนะครับปัญญาคับแคบด้วยเพราะฉะนั้นพยายามเปิดโลกแห่งปัญญาให้มันกว้างขวางขึ้นเอาท่า4ี่บสมาคิดกันนา ม, มาทําอีกสี่หรือไม่ก็ย่อลงมาอีกเป็นท่าสิบปดย่อมาอีกเป็น อายตนะสิบสองย่อลงมาอีกคือทวารหกย่อลงมาอีกก็คือขันห้าย่อลงมาอีกก็คือรูปนามถ้าย่อลงมาอีกได้ไหมได้สังขารธรรมสิ่งเหล่านี้คือสังขารธรรมเพราะฉะนั้นฝึกยอ่อฝึกขยายขยายยอ่ยอย่อขยายอยู่อย่างนี้จนชํานาญในโลกของชีวิตทีนี้ย่อขยายอย่างนี้เฉพาะหน้าเท่านั้นหรือใช่ไหมไม่อดีตก็คือสิ่งเหล่านี้อนาคตต่อไปก็คือ สิ่งนี้อดีตที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่ย่อเป็นขยายเป็นอนาคตต่อไปก็คือสิ่งที่ย่อเป็นขยายเป็นทุกภพทุกภูมิก็เป็นเช่นนี้แล้วก็คืออะไรทุกภพภูมิเนี่ยนะย่อลงมาก็คือเหลือแค่รูปกับนามขยายเพิ่มไปอีกก็เป็นขันห้าขยายเพิ่มเป็นอีกก็เป็นทวาน6ย่อขยายเพิ่มไปอีกก็เป็นอายตนะสิขยายเพิ่มไปอีกก็เป็นท่าสิบแขยายเพิ่มไปอีกว่าอาการ42เป็นที่ตั้งแห่งนามขันสี่ ขยายเพิ่มไปอีกก็ไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องไปคูณกับทุกคนไปคูณกับสิ่งุมีชีวิตทุกชนิดมันจะได้มากเท่าไหร่แล้วใช่มันกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้แต่สรุปในความเป็นสังขารธรรมสังขารเหล่านี้มีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันสิ่งที่สังขารเหล่านี้ถ้าเป็นอดีตพระองค์ตรัสว่าตีตาธรรมมาทำที่เป็นอดีตถ้าสังขารทั้งมวลเหล่านี้อยู่ในอนาคตจะมีขึ้นในอนาคตเรียกว่า อนาคตาธรรมมาสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าปัจจุปันาธรรมาอารมณ์ของวิปัสนาญาณเนี่ยเออขออภัยโทษทีอ่ถ้าอยู่ในภายในเรียกว่าอัจฉตาธรรมมาถ้าเป็นภายนอกเรียกว่าพระหิทธาธรรมาถ้าเป็นของเล็กน้อยเรียกว่าปริฏตาธรรมมาถ้าเป็นของใหญ่ๆเรียกว่ามหคตาธรรมาข้อความใน อัตถกาถาสามมันจผลสูตรทีขณิกายสูตรที่สองของทีขณิกายเนี่ยกล่าวว่าอารมณ์ของวิปัสสนามีเจดอย่างเนีเคยได้ยินไหมอารมณ์วิปัสสนามีเจ็อย่างหนึ่งอดีตสองอนาคตสมปัจจุบันสี่ภายในห้าภายนอกหปริตะเจดมหคตะนะเป็นปริตตะก็ได้เป็นมหคตะก็ได้อันนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่พบนะแต่จริงๆแล้วอะสังขารธรรมที่เป็นโลกยะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหมด นนะจะอดีตอนานะคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาเพราะคําคว่ า, าวิปัสนาเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียวนนะปัจจุบันก็ถูกแต่ไม่ใช่ปัจจุบันเท่านั้ น, เ, นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรอยู่ในโลกอันคับแคบพิจารณาอารมณ์แต่แคบแคบเพราะฉะนั้นถ้าบอกเหมือนกับว่าถ้าใครเดินเก่งน่ต้องใช้แต่โป้องเท้าอย่างเดียวเดินจึงจะเรียกว่าคนเก่งอันนี้ดีไหม ไม่ดีนะเต็มฝ่าเท้ายัางจะล้มเลยนะนี่ก็เหมือนการการเจริญวิปัสสนาการเจริญกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ควรยืนอยู่บนอารมณ์ที่แคบแคบคือปัจจุบันเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาอารมณ์ทั้งอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกอารมณ์หยาบอารมณ์ละเอียดเนี่ยนะหยาบก็คือประเภทอะไรประเภทปริตตะถือว่าหยาบนะมหากตาเนี่ถือว่าละเอียดยิ่งใหญ่แต่ละเอียดสงบ เมื่อการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะพิจารณาได้กว้างขวางเท่าไหร่ก็ชื่อว่าอบรมบ่มปัญญาอบรมทิฏฐิวิสุทธิอบรมความเห็นที่ถูกที่บริสุทธิ์ทีนี้การพิจารณาอย่างนี้ก็เมื่อย่อลงมาให้เหลือแต่รูปกับนามเพื่อประโยชน์อะไรทําไมจึงย่อลงมาให้เหลือแต่เป็นรูปเป็นนามเพราะว่าจะได้กําหนดปัดจจัยง่ายหน่อยถ้ากว้างขวางแล้วมันมันเยอะนะมันเยอะอ่ะ มนงั้นก็เรียนปัฏฐานนี่หูหลุบเลยมันงั้นแต่ไม่แน่นะป้าเพนสีไปเรียนอยู่ทุกวันศุกร์เนี่ยนะแจ๋วมากอนุโมทนาด้วยแบ่งบุญกันบ้างคนละครึ่งโอ้ยหอยหิวมาจากไหนเนาะนะขอเขาหมดนะลูกไม่ใช่ลูกหลานชูโชคมาเกิดอนะก็ได้กลขออนุโมทร่วมอนุโมทนาด้วยมันงั้นทีนี้ว่าเอาย้อนมาว่าเมื่อย่อลงมาเหลือเป็นรูปเป็นนามเนี่ยนะเพื่อสะดวกในการกําหนดปัจจัยตอนแรกก็มาแบ่งปัจจัยของรูปธรรม ท, ทั้งหลาย รูปธรรม ท, ทั้งหลายปัจจัยของนามธรทำทั้งหลายปัจจัยแห่งนามมาทำปั จ, จัยแห่งรูปธรรมคืออะไรปฏิเสธลัทธิผู้สร้างปฏิเสธเหตุเว่าเกิดลอยๆสังขารในโลกนี้ไม่ได้มีผู้สร้างจริงและก็ไม่ได้เกิดลอยๆอะไรงั้นเกิดมาได้ยังไงก็บอกว่ามีอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมและอาหารเป็นตัวทำให้รูปเกิด อวิชาตัญหาอุปาทานในฐานะเป็นเหมือนแม่เหมือนแม่ให้รู ป, ปรกายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนนี่มีแม่กันหมดแล้วใช่ไหมแม่คืออะไรอวิชาตันหาอุปาทานเนี่ยนะโอ้โหนี่ลูกหลานอาวิชาตัญหาอุปาทานทั้งนั้นมีพ่อคือกรรมมีใครเนาะเลี้ยงดูให้โตอ้วนพีกันขนาดนี้อาหารเนี่ยนะก็แต่ก็แว่ามีพ่อมีแม่มีพี่เลี้ยงกันทุกคนเนี่ยนะรู ป, ปรกายของทุกท่าน รู่ประกายของทุกคนมีพ่อมีแม่และมีพี่เลี้ยงนะพ่ออา่าส่วนครั้งนแม่คืออวิชาตัญหาอุปาทานพ่อคือกรรมพี่เลี้ยงคืออาหารเลี้ยงตะโตเลยถึงทุกวันเนี่ยนะแล้วถามว่าเข้าเลี้ยงอา่าพ่อแม่นี่นําเกิดเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวหรือไม่เมื่อกี้เรพูดถึงอดีตอยู่แล้วใช่ไหมอดีตชาติที่ผ่านมานะ แม่คือวิชาตันหาอุปาทานก็ทําให้ลูกเนี่ยคลอดออกมาในวะะัฏฐะพ่อคือกรรมก็มาแบ่งชาติชั้นวันนะแบ่งยศแบ่งตระกูลแบ่งศักดิ์แบ่งสีแ บ, งสแบ่งเดชเป็นต้นนี่ก็พ่อคือกรรมพี่เลี้ยงคืออาหารก็บํารุงต่อไปชาติหน้าต่อไปที่เราจะเกิดอีกแม่ที่แสนจะดีให้ลูกคลอดมาในวัฏฐะเนี่ยนะคําว่าดีไหมเขาว่าปกปักให้อยู่ในวัฏฐะตลอดไปลูกเอ้ยแม่คือวิชาตันหาอุปาทาน แต่พระพุทธเจ้ามีอยู่สอนหนึ่งบอกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราชาเนี่ยนะมีสอนอย่างนี้จริงจนะบอกฆ่าให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพ่อพ่อแม่นี่ก็คืออวิชชาตันหานี่พวกนี้ฆ่าแล้ไม่บาปหรอกว่างั้นนะแต่ถ้าฟังไม่ดีนะี่เหมือนบอกโอ้ยไปฆ่าเข้าใจผิดนะหมายคาอว่าแม่ที่ทําให้เราคลอดทําให้เราเกิดในวตัตฏะคืออวิชชาตันหาอุปาทานพ่อที่ทําให้เกิดในวตัตฏะคือกรรมเมื่อเมื่อมีพ่อมีแม่ทําให้เกิดก็จําต้องอาศาัยอาหาร คือพี่เลี้ยงคือภูตรูปและอันนะคืออาหารเนี่ยนะเลี้ยงเข้าไปเพราะทางในมองในแง่ว่าโอ้ยฉันยังไม่อยากนิพพานรลกฉันจะขอเกิดอีกนานก็คิดดูนะมีพี่เลี้ยงหรือเปล่าอนนะมีอาหารกินพอไหมในวัด ต, ตะต่อไปพอมาเคยถามบอกคุณนี่ ย, ยังเกิดอีกนานนะแล้วคุณทําอะไรไว้กินชาติหน้าบ้างเนี่ยเคยถามตาตาตั้งแต่ตาเกิดมานี่ตาใส่บาดกี่ครั้งครั้งเดียวเราวงั้นตาแท้ๆเลยนะพ่อของแม่ะ นั่งคุยว่านั้นแกตาร้องให้เลยนะแล้วก็ไม่ได้ทําบุญเพิ่มอะไรหรอกก็อยู่ตามเดิมนั่นแหละก็ยังแปลกใจว่าเออน่าจะเจริญกุศลให้ได้มากกว่านี้นี่ก็ยังไม่ได้เจอหน้าตั้งนานแล้แล้วไปสงเคราะห์ซะหน่อยบอกตาไปหากินชาติหน้าบ้างตีจะไปหากินชาตินี้ชาติเดียวไม่พอหรอกอนะคือจะสอนให้บรรลุมรรคผลนี่ไม่ใช่ฐานะอีกแล้วใช่ไหมดูทำดูท่าจะยากบอกตาไว้กินชาติหน้าบ้างเถอะให้ทานรักษาศีลบ้างเอาไว้บริโภคชาติต่ อ, ต, อต่อไปบ้าง ให้ชาติต่อไปให้มีพี่เลี้ยงไม่ใช่มีแต่คนรังแกใช่ไหมไม่ใช่โอ้ไปก็มีพี่เลี้ยงมันก็ดีกว่ามีแต่เหลือบยุงเป็นต้นเนี่ยมาตอมมาตายมากัดมันใครที่ยังต้องเวียนไหวในตายเกิดในวัฏฏะนี่จำเป็นจึงต้องให้ทานานะเพื่อบริโภคต่อไปในวัฏฏะหรือแม้กระทั่งใครที่คิดจะออกจากวัฏฏะก็ต้องให้อีกเพราะธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมะของผู้สังสมมหาพูดไม่ใช่เป็นธรรมะของผู้สังสมวัฏฏะ ถ้ากำหนดปัจจัยทั้งอดีตกําหนดปัจจัยอนาคตกําหนดปัจจัยในปัจจุบันวิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ปัจจัยวิเคราะห์เหตุเกิดของมหาพูดทั้งหลายในอดีตวิเคราะห์เหตุเกิดของมหาพูดทั้งหลายในอนาคตและมหาพูดที่เป็นอยู่ปัจจุบันมหาพูดภายในและมหาพูดภายนอกพันเราก็ร่วมหัวอกเดียวกันมีพ่อแม่เหมือนกันมีพี่เลี้ยงเหมือนกันคืออะไรนะก็มีพ่อแม่เหมือนกันคืออวิชชาตันหาอุปาทานและกรรม แล้วก็อาหารเข้าหม้อเดียวกันนั่นแหละนะหมหาภูติรูปก็เลี้ยงดูกันไปนะก็จะเจริญเติบโตก่อดคอกันเฝ้าวัะดตานี่หละเหมือนดีเนาะสามัคคีกันดีมากเหมือนดีแต่ไม่ใช่อเมื่อเป็นไปในวัดตะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ากําหนดปัจจัยของรูปนั้งหลายในอดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้ถ้าเป็นปัจจัยของนามบ้างนามนามนาม นามเขาก็มาแบ่งนามที่เป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาแต่นามทั่วๆไปนี้ก็มาแบ่งเป็นสาธารณะว่านามทั้งหลายเกิดขึ้นจะต้องมีวัตถุกับอารมณ์เช่นนามทวารตาต้องอาศัยตากับสีนามทวารหูต้องอาศัยหูกับเสียงนามทวารจมูกต้องอาศัยจมูกและกลิ่นนามทวารลิ้นต้องอาศัยลิ้นและรสนามทวารกายต้องอาศัยกายและผลภัณฑนามทวารใจต้องอาศัยมโนกับธรรมารมณ์ นามทั้งหลายในแต่ละทวารจึงเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นปกติทีนี้นามในทวารหกก็ามาแบ่งเป็นสี่ที่เป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยานามที่เป็นกุศลสมมุติกุศ ล, ลจิตจะเกิดขึ้นนามนะนามเนี่ยเป็นกุศลกุศลก็เป็นไปในทานศีลและภาวนาอะไรหนอเป็นเหตุใกล้แห่งทานศีลและภาวนาโยนิโสมนัสิการอันนี้ถือว่าเป็นเหตุกใกล้ไกลไปหน่อยการฟังธรรมที่บริบูรณ์กัน ควบกัลยาณมิตรการเกิดอยู่ในปฏิรูปประเทศหรือการเพราะอยู่ในปฏิรูปประเทศอยู่ในที่ที่เหมาะสมจึงได้ควบสัตว์บูรุษเมื่อครบสัตว์บูรุษจึงได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมจึงโยนิโมสมนริการฉลาดที่จะคิ ด, ค, ดคิดเป็นคิดจะให้ทานคิดจะรักษาศีลคิดจะเจริญกุศล ท, ทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนากุศลธรรมเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีโยนิโสก็ไล่ไป น, นี้คือปัจจัยแห่งนามที่เป็นกุศล นามที่เป็นอกุศลถ้าเราโกรธขึ้นมาหนึ่งครั้งเนี่ยเกิดจากอะไรเหตุใกล้เลยก็คืออโยนิโสมรัสิการไกลไปกว่านั้นก็ฟังแต่อาศัตร์ธรรมฟังแต่คําของคนเลวแล้วเพราะอะไรก็เราคบคนเลวทําไมจึงคบคนเลวเพราะเราอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมอยู่ในที่ที่ไม่สมควรเพราะบุญเก่าทํามาไม่ดีทําบุญมาไม่ดีทําให้ไปเกิดในประเทศที่ไม่เหมาะสมเมื่อประเกิดในที่ที่ไม่เหมาะสมจึงทําให้เกิดการ ครบอสสัตบุรุษฟังพอครบอสสัตบุรุษเขาจะพูดอะไรอสสัตบุรุษไม่พูดอริยศาสตร์รอกที่ก็จะพูดอะไรพูดเดรฉ า, านกระถาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะพูดแต่คำคำที่เป็นไปเพื่อสร้างวัตต ะ, ะโยนิโสมนัสิการก็เลยเกิดขึ้นเราก็เลยดีไม่ดีนานเข้าชั่วกว่าอสสัตบุรุษอีกเราก็เลยเป็นหัวหน้าของอสสัตบุรุษตอนแรกก็เป็นอะไรนะเป็นโจรกระจกกระจอกที่ไปเขาไม่ค่อยอยากจะรับเราหรอกนานๆเข้าเป็นมหาโจรซะเองเลยนะ ตอนแรกบอไอ้นี่มันซื่อมากแกเป็นโจรไม่ได้หรอกนะบอกรับนะขอให้รับผมสักครั้งหนึ่งเถอะครั้งสองครั้งหนักๆเข้ากครทีเป็นหัวหน้าโจรเองเลยนะเราก็เหมือนกันนะตอนแรกแน่แหวะอกุศลไม่อยากจะเกิดเลยเนี่ยนะพอคนอื่นเขาเสี้ยมสอนแนะนำนิดๆนนหน่อยๆนะที่เหลือเราไปเฉียวหมดเลยอย่างเงี้เพราะชํานาญในการเจริญอกุศล น, นั้นอกุศล น, นี่ก็มีเหตุไกลอยู่คืออะโยนิโสมนสิการไกลเข้าไปอีกหน่อยก็เป็น ฟังอาศัตริ์มาฟังแต่อกุศลกรรมบทมานั้นใครที่บริโภคข้อมูลข่าวสารมากก็สังสมอัธยาศัยในอกุศลกรรมบทมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะถ้าไม่ฉลาดคิดหรือคิดไม่เป็นเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ทําชั่วบางทีเนี่ยนะคนที่ทําปาณาติบาตส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการดูภาพยนตร์คนที่ทําอธินนาทานทํากาเมสุมิจฉาจาันเป็นต้นก็เนื่องจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ มาจากการล่วงอกุศลกรรมบทก็เลยเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างนั่นแหละพฉะนั้นขณะที่เราดูหนังฟังเพลงเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้คือการส่้งเสพอสักบุรุษนะสรงเสพอสัตบุรุษเพราะท่านจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นฆ่าศึกต่อพรหมจัง๋งนะจึงเป็นที่ตั้งแห่งศีลเพราะเราคร บ, บอ่ะนะครบอสักบุรุษก็เป็นเหตุไล้ให้ฟังอสัตธรรมเมื่อฟังอสัตธรรมก็เกิดอโยนิโสมเมื่ออโยนิโสมนสิการเกิดอกุศลก็เกิด ก็ไม่รู้ว่าดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าสองถึง6ให้ผลในชาติที่สเป็นต้นไปคิดให้ดีนะเวลาใกล้อาศัตท์บุรุษเมื่อไหร่ก็ต้องมาคิดในใจบอกเราจะทําบาปทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะจัสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้กับตัวเองไปถึงไหนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะหรือว่าตัวของตัวก็ยังไม่มีบอกหืมอะไรจะปาดนั่นขอให้จริงเธอเนี่ยนะบางคนก็บอกอ้าวตัวเองมีที่ไหนก็ทุกอย่างมันเป็นอนัตตา ขอให้จริงเถอะเนี่ยนะปัญหาว่ามันไม่จริงอย่างนั้นทีทีนี้ต่อไปเมื่อเรารู้ปัจจัยแห่งกุศลและอกุศลทีนี้ก็วิบากล่ะก็กุศลและอกุศลดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึง6ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นพราันปัจจัยของวิบากก็คือกุศลและอกุศลพันวิบากที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับมาวิบากบางอย่างเป็นผลของกรรมชาตินี้ วิบากบางอย่างก็เป็นผลของกรรมชาติที่แล้ววิบากบางอย่างก็เป็นผลของกรรมในชาติที่2ถึงดวงที่6ในอดีตชาติที่ผ่านมาแล้วกรรมที่เราทําใหม่อนะเพราะนั้นกรรมและกรรมกรรมก็ทําให้ในอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันต่อไปให้ผลในอนาคตหลักการก็มีว่ากรรมในอดีตให้ผลในอดีตให้ผลปัจจุบันและให้ผลอนาคตกรรมปัจจุบันให้ผลปัจจุบันให้ผล อนาคตกรรมอนาคตให้ผลอนาคตต่อไปที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนสหายเนี่ยนะตั้งคําถามมันนะเพื่อนเอ้ยที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนนาะเนี่ยนะเนี่ยนะก็จะดับได้อย่างไรอะไรอารมณ์อรมณ์ทั้งหลายหน้าเพลิดเพลินไปหมดหน้ายินดีไปหมดหน้าพอใจไปหมดเพราะฉะนั้นจึงทํากรรมไม่รู้จักเบื่อพรนสัตว์ทั้งหลายจึงไม่เบื่อในการท่องเที่ยว ไม่เบื่อในการทํากรรมไม่เบื่อที่จะเห็นไม่เบื่อที่จะฟังไม่เบื่อที่จะรูกลินรูร้รสไม่เบื่อที่จะคิดอ่านะโอ้ยอยู่เงี้ยเพเลยเป็นคนที่ไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักหน่ายในวัตตะใส่ปุ๋ยให้วัตตะตลอดเพิ่มพูนอาหารแห่งวัตตะอยู่นั่นแหละก็อันนี้คือปัจจัยแห่งกุศลอกุศลบิบากทีนี้กิริยาล่ะกิริยาก็มีผวังเป็นมีผวังกับมีอ่าถ้าถ้าเป็นอาวัชนะที่เป็น อาวชนะทางปัญจะทางทวารหนะตัวอาวชนะมีภวังเป็นเหตุใกล้ถ้ า, อาวอดทัพนะมีสันติรณ ะ, ะเป็นเหตุใกล้ น, นะถ้ามหากิริยาของพระอรหันต์มีอารหาัตตมรรคเป็นเหตุใกล้เพราะอารหัตตมรรคนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดชาติกิริยาเช่นชาติกิริยาของพระพุทธเจ้ า, ากิริยาจิตของพระองค์ทั้งหมดมีอารหาัตตมรรคเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยใกล้ เมื usted, ่อกำหนดแยกแยะว่าปัจจัยของรูปธรรมและปัจจัยแห่งนามธรรมทั้งหลายในอดีตรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยอนาคตรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้ก็จักเกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้รูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยทีนี้ในบรรดาปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยนะผลของปัจจัยผลของปัจจัยนี่คืออะไร ปัจจัยนี้ทําให้มีผลผลที่สุดแห่งปัจจัยคืออะไรคือ ช, ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสนี่คือผลของปัจจัยที่เห็นเห็นกันอยู่มันปัจจัยนี่เล็วมากนะชั่วชั่วร้ายมากเพราะให้ผลเป็นชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเร็วไม่เร็วไม่รู้จนเห็นแล้วทาใจไม่ได้เห็นเหนคนแขนขาดขาดขารเลือดไหลาอาบเนี่ยนะทําใจได้ไหมเราว่าดีไหมไม่ดีมันนั่นก็คือผลของปัจจัย แต่ตัวปัจจัยที่เลวร้ายมากความทุกข์ความเกิดความแก่ความตายในโลกนี้มาจากไหนความแก่ความตายความเศร้าโศกเสียใจพิรรําพันความไม่สบายกายปัญหาทั้งมวลในโลกนี้นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากชาตินะนะงนั้นปัจจัยที่เลวร้ายมากก็คือความเกิดความเกิดพูดอย่างนี้นะหลายคนจะเลิกฉลองวันเกิดกัเพราะอย่างไรเลยฉลองไปเถอะแต่ฉลองให้มันเป็นบุญนะนะเปลี่ยนใหม่ไม่ไม่ไม่แฮปปี้แล้วบอกสังเวชในวันเกิดะ ทำบนเนื่องจากสังเวชใจในวันเกิดเนี่ยเพราะเกิดมานี่แหละจึงทุกข์ขนาดนี้นะกล้าพูดว่าอะไรก็ตัวเองไม่เคยจัดงานวันเกิดแล้วก็เลยพูดเต็มปากเต็มคำนะไม่เคยรู้สึกเออแฮปปี้มากวันเกิดบอกแหมเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดถ้าไม่เกิดไม่ได้ทุกข์ขนาดนี้หรอกนะไม่ต้องมาหลังน้ําตาอะไรขนาดนี้หรอกเห็นแต่หัวเราะขำๆนี่นะขอมาเนี่ยเด็กๆอุ้ยเป็นคนเจ้าน้ําตาเลยเกิดมาทําบบร้องให้ตอน้องๆคุณชินนี่แหละ ชินโตมาแล้วก็ยังไม่เลือกร้องอีกหรอไม่เป็นไรร้องเพื่อจะได้สักมัดสองมัดแต่ก็บอกกันนะว่าโภมนัตสัมโพธชงไม่มีโสกะสัมโพธชงก็ไม่มีนะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าผลพวงที่เห็นเห็นอยู่ในโลกนี้คืออะไรชาอฉรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาต ตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งมวลในโลกนี้มาจากความเกิดแท้ๆฉะนั้นความเกิดนี่ถือว่าเลวร้ายมากวนั้นชาติชรามรณาโสกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาตในนรกเนี่ยถ้าไม่เกิดในนรกนะทุกข์ทั้งมวลในนรกจะมีไหมไม่มีถ้าไม่เกิดในเดระฉานนะทุกข์ทั้งมวลในเดระฉานจะมีไหมถ้าไม่เสนอตัวไปให้ไฟนรกเผาไฟนรกมันจะเผาไหมะนะการเสนอตัวไปเกิดที่นั่นนีไม่ดีเลย นะถ้าไม่เสนอตัวไปเกิดในพวกเดรัชานทั้งหลายเนี่ยจะถูกเขาต้มไหมจะถูกเขาเผาไหยากต้องไปกินเบ็ดกินเหยื่อกินอะไรไหมไม่จําเป็นแต่เพราะความเกิดเนี่ยนะความเกิดเนี่ยเรียกว่าการเสนอตัวไปในภพเนี่ยนะเสนอตัวร่างกายและจิตวิญญาณ <c oughs> ไปโผล่ในภพต่างๆขึ้นถ้าเราไม่มาเกิดนะทุกข์ทั้งมวลในโลกนี้จะมีไหมในโลกที่เราเห็นๆความอดอยากความแห้งแล้งสงครามพิษภัยทั้งมวลในโลกที่มีถ้าเราไม่มาเกิดนะ ทุกเหล่านี้เราจะต้องรับไหมปัญหาเรื่องราวความหนักอกหนักใจทั้งมวลเหล่านี้จะมีไหมไม่มีจะต้องมาปวดทั้งร่างไปและจิตใจไหมถ้าเราไม่เกิดนะนั้นความเกิดเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆแล้วความเกิดมาจากไหนทําไมจึงต้องเกิดในนรกทําไมต้องเกิดในเปรตอสุรกายเดราชานทําไมต้องเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาทาไมการเกิดเหล่านั้นจึงมีขึ้นเกิดมาจากอะไรหนอมาจากกรรม กรรมนี่แหละเป็นตัวนําเกิดเนี่ยอ๋อพ่อมีหน้าห่ะพ่อเนี่ยเป็นตัวจัดแจงใช่ไหมพ่อนี่แหละเป็นผู้จัดการให้เราเนี่ยตกนรกพ่อนี่แหละเป็นตัวผู้จัดการให้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเลระชานพ่อเป็นผู้ดูแลให้มาเกิดเป็นมนุษย์มาอุปธรรมให้เกิดในเทวดาอมีพ่อที่แสนจะดีนะนะดีไหมล่ะเอ้าก็พ่อหนูยเขาขอบคุณมากเลยใครเนาะเป็นใคร เขามีบางคนบอกใครเนาะทำให้เขาเป็นเกิดเป็นเกิดมาเขาดีใจมากเลยนะเขาอยากจะขอบคุณผู้ที่ให้เขาเกิดมาเออเคยไม่เคยได้ยินเหร อ, อโอ้รู้ว่าใครเป็นผู้บรรดาให้เราเกิดมาแหมอ้อนวอนบูชาเชา้าบูชาเย็นขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าเกิดนนะเอาเขาขอบคุณนะยังยสวดอ้อนวอนสรรเสริญวันละสี่ห้ารอบขอบคุณผู้ให้เกิดนะ ขอบคุณอะไรนะขอบคุณกรรมเหมือนกันนะแต่ทีนี้ก็อย่างว่านะแต่ถ้าแบบใครที่เกิดมาในโลกแบบหมายการเกิดเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากถ้าไม่เกิดนะสงครามจะมีไหมไม่มีเป็นต้นเ น, นะความอดอยากความหิวหิวความพิการตาพิการหูพิกา ร, การจมูกพิการทางร่างกายและจิตใจจะมีไหมทำไมเกิดเพราะไอ้ตัวเกิดไอ้ตัวที่ทําให้เกิดนี่จึงเลวมากคือกรรมเขาบอกว่าแม้แต่ผลแห่งกรรมที่กรรมที่เป็นบุญนะบุญเนี่ยยังให้ผลเป็นชาติชาราและมรณะ บุญเนี่ยของเราทุกคนที่มานั่งทุกๆกันอยู่นี่ผลบุญนะเนี่ยขนาดผลบุญนะั้นยังเดือดร้อนขนาดนี้ถ้าผลบาปจะขนาดไหนนะทําใจไว้เถอะนี่ขนาดผลบุญนะั้ยังกระดูกกระเดี่ยวยังปวดยังเมื่อยยังเจ็บยังปวดกระดูกยังหักอย่างนี้เลยนะปะน้านะ้าเนาะถ้าผลบาปจะขนาดไหนนะถูกก็ทุกข์กันไม่รู้กี่รอบก็ไม่ทราบแล้วนี่ขนาดผลบุญเออนี่แล้วครับทีนี้ไอ้ตัวแม่ที่พาเกิดก็คืออวิชชาตันหาอานะอวิชชาตันหาอุปาทานสิ่งเหล่านั้นมาจากไหน ก็มาจากนี่แหละความรู้สึกทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจมันโดยสรุปว่าทุกครั้งที่ลืมตาเห็นเนี่ยปั๊บคือการขยายชาติชราและมรณะหูได้ยินเสียงคือการขยายชาติชราและมรณะจมูกรู้กลิ่นคือการขยายชาติชราและมรณะรู้รสก็คือขยายชาติชราและมรณะรับประทบโภตาภคือขยายชาติชราและมรณะคิดไปก็คือคิดขยายชาติชราและ มรณะนั้นคนที่คิดอนิจจอนิจอาคิดอนุปัสนานั่นแหละจึงเลิกขยายเป็นโครงการไม่ขยายชาติชรามรณะแม้แต่คิดทำบุญที่ไม่ได้ปรารถนานิพพานก็เป็นโครงการขยายวัตะเหมือนกันสาธุด้วยผลแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าอะไรมีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะอันนั้นคือกิจโครงการขยายวัตะทั้งนั้ น, น, นแต่ถ้าเว้นไว้แต่บุญที่เป็นไปเพื่อวิวัตะขอทานอันนี้ จงเป็นปัจจัยเพื่อความสิ้นไปแห่งวัตะเถอะรักษาศีลเหล่านี้เป็นต้นถ้ายอย่างนี้ก็เป็นไม่ใช่โครงการขยายวัฏะแต่ว่าโดยมากมูสัตทั้งหลายให้ทานก็ขอหวยนะแต่ลักษณะนะั้นคือก็กลุ่มหนึ่งในโครงการขยายวัฏะทีนี้พอเราก็รู้แล้วว่าไอโครงการวิธีขยายวัฏะเนี่ยขยายได้ยังไงก็ทุกครั้งที่ลืมตาตายได้ไหมาตายได้ถ้าตายแล้วพบใหม่ควรจะเป็นที่ไหนที่เราเห็นเห็นเห็นอย่างนี้ ควรตายและควรเกิดที่ไหนโหได้ยินเสียงตายแล้วไปเกิดที่ไหนจะมูกรู้กลิ่นตายระหว่างที่รู้กลิ่นก็ตายได้ระหว่างรู้รสก็ตายได้ระหว่างรู้โพธาภาก็ตายได้ระหว่างนึกคิดก็ตายได้ใครที่ศึกษามนโนทโห เ, เรื่องวิถีจิตไปเฉียดสีมาแล้วจะรู้ดินะเพราะอะไรเพราะมรณาสันนวิถีมรณาสันนวิถีว่าจุติปฏิสนธิเกิดต่อจากอะไรได้บ้างจุตินี่ต่อจากปฏิสนธิจุตินี่ต่อจากจิตดวงใดบ้าง ต่อจากตถาลัมมณโกจุติได้ต่อจากภวังโกจุติได้ต่อจากอะไรนะชวนะก็จุติได้ต่อจากชวนะและจุติต่อจากตถาลัมมณและจุติต่อจากภวังแล้วก็จุติแล้วชาวนาเนี่ยมาจากทวารไหนได้บ้างก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิมาจากทวารไหนมั่งก็ก็ไล่ไล่ไปก็ถูกเลยพันลืมตาสรุปว่าลืมตาเห็นก็ ขยายวัตตะหูได้ยินก็ขยายวัตตะรูปเป็นรู้รสรับกระทบโพธภาคิดอะไรก็คือโครงการขยายวัตตะทั้งหมดเลยนะนะแล้วตัวที่ขยายก็คือตัวกรรมและผลของกรรมนะเพราะเวลาเราเห็นภาพเนี่ยนะคือการเจริญอวิชชาตั้หาอุปาทานและกรรมหูได้ยินเสียงก็ทําอะไรอวิชชาตั้หาอุปาทานและกรมกรมหูไู้ยินเสียก็อวิชชาตั้หาอุปาทานและกรรมลิน้นรู้รสกายรับกระทบโพธภา ใจนึกคิดเรื่องทั่วไปก็คือการเจริญอวิชชาตัญหาและกรรมคำว่ากรรมนี่รวมทั้งบุญด้วยนะรวมทั้งกุศลกรรมและอะกุศลกรรมไว้ด้วยเะฉะนั้นกรรมเหล่านี้ให้ผลเหมือนกันคือชาติชราและมรณะทีนี้กรรมเนี่ยเวลามันให้ผลนะตัวมันเองต้องไปให้ผลเลยใช่หตัวมันเองวิ่งไปให้ผลเลยใช่ไวิ่งไปอุ้มขึ้นมาเลยเนั้นท่านยังบอกว่ากรรมก็ไม่มีในผลของกรรม ผลของกรรมก็ไม่มีในตัวกรรมกรรมว่างจากผลผลก็ว่างจากกรรมอย่าง เ, าเราทั้งหลายมาเกิดอยู่นี่นะมีตัวกรรมอะไรในะอดีตมาไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมเกา่าเป็นผลของกรรมเกา่าทีนี้กรรมใหม่ที่เราทำมันตัวมันเองเนี่ยเป็นปัจจัยให้ผลหรือตัวมันเองไปให้ผลเป็นปัจจัยที่ให้ผลหมายความว่ามันกรรมนะ เหมือ น, นที่เราพูดเนี่ยคำพูดพูดคาไหนพูดไปก็ดับพูดที่ใดก็หมดที่นั่นแต่ว่าได้ทําเหตุเอาไว้แล้วเหมือนการประชุมทําสัญญากันประชุมทําสัญญาเช่นสัญญาอะไระว่าด้วยการกู้หนี้ยืมสินเป็นต้นเนี่ยนะก็มีการประชุมกันเพื่อจะทํากิจในการกู้พอกู้เสร็จโครงการนี้ก็ระงับไปแต่ว่าไอ้ทำเหตุไว้แล้วนะทําเหตุไว้แล้วทุกครั้งที่ทํากรรมนั้นเป็น ลักษณะนั้นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ทำกรรมไปมแต่กรรมก็ไม่มีในผลของกรรมผลของกรรมก็ไม่มีในตัวกรรมสิ่งเหล่านี้ไม่มีการเคลื่อนไปไม่มีการย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดที่ใดดับที่นั่นเพราะฉะนั้นเหตุในอดีตก็หมดสิ้นไปแล้วในอดีตไม่เหลือมาจนถึงปัจจุบันตัวตัวสภาวะตัวสภานะ ว, วะนี่เกิดในอดีตสิ้นไปแล้วในอดีตไม่เหลือมาถึง ปัจจุบันเหตุใหม่ในปัจจุบันก็เหลืออยู่ในปัจจุบันเออก็ก็ดับในปัจจุบันนี้แหละไม่ถึงให้ผลออกไปในอนาคตถ้าจะทําเหตุในอนาคตก็จกหมดไปดับไปในอนาคตทำทั้งหลายเกิดที่ใดหมดที่นั่นเกิดที่ใดหมดที่นั่นเนะเกิดที่ใดหมดที่นั่นกรรมและผลของกรรมเป็นเช่นนั้นเมื่อสังขารทั้งหลายเกิดที่ใดหมดที่นั่นเกิดที่ใดดับที่นั่นการเลื่อนการเคลื่อนการย้ายไม่มีอยู่จริง แต่เหตุและผลมีอยู่ยนะเหตุและผลมีอยู่ก็เหมือนเน่ยอย่างเขามาพูดโยมได้ยินเนี่ยนะตัวเสียงเนี่ยไปอยู่ในใจเลยใช่ไหมเสียงมันก็ดับที่ที่เนี่ยเสียงพอได้ยินแป๊บก็ดับไปแต่แต่ว่าจันทร์ก็เกิดขึ้นเพื่อจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นมันแต่เหตุมีผลมีมันการเชื่อมโยงในระบบปัจจัยยึงเป็นอย่างนี้แล้วก็การเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่มีในปัจจุบันนี้เท่านั้นโครงการอันนี้อดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุ อนาคตผลกรรมในอดีตให้ผลในอดีตกรรมในอดีตให้ผลปัจจุบันกรรมในอดีตให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันกรรมปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตถ้าเราจะทำกรรมในอนาคตก็ลักษณะเดียวกันก็จะมีผลต่อไปอยู่อย่างนี้เมื่อไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้เราก็มาดูว่าทำยังไงเนาะจะดับได้ที่จะดับจริงก็ต้องดับอวิชชาตันหาอุปาทานแลย ทีนี้ทํำยังไงที่จะดับอวิชชาอวิชชาไม่รู้อะไรอวิชชาไม่รู้อะไรตัณหาเพลิดเพลินอย่างไรอวิชชาไม่รู้อดีตตัวอวิชชานะไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อดีตเหตุปัจจุบันผลไม่รู้ปัจจุบันเหตุอนาคตผลไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงไม่รู้ว่าในอดีตก็คือกองทุกอนาคตก็คือกองทุกปัจจุบันก็คือกองทุกอวิชชาไม่รู้หรอกว่า โงทุกเหล่านี้ในอดีตก็เกิดจากเหตุอนาคตต่อไปสังขารเหล่านั้นก็เกิดจากเหตุปัจจุบันเหล่านี้สังขารเหล่านี้ก็เกิดจากเหตุและปัจจัยอวิชชาไม่รู้อวิชชาไม่รู้อย่างนี้ตันหาก็ชอบเอาชอบเอานะตันหาบอกว่าเออดีนะสบายดีสุขเที่ยงงามยั่งยืนมันในอดีตที่ผ่านมาก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเที่ยงมีแต่ความยั่งยืนและ อัตตาอนาคตต่อไปก็มีแต่ความสุขความเที่ยงความยั่งยืนงามและอัตตาปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเที่ยงยั่งยืนงามและอัตตานั่นเป็นภารกิจของตัณหา